วิบากของการเป็นคนเจ้าอารมณ์ถามการเป็นคนเจ้าอารมณ์เครื่องโทรศัพท์มือถือของตัวเองทิ้งเป็นการประชดแฟนหรือเจตนาให้แฟนเห็นว่าเราทําลายข้าวของเสียหายแล้วจะได้หยุดอลาวาสอย่างเนี้การเสียทรัพย์สินถือเป็นการรับกรรมที่ระเบิดโทสะแล้วใช่ไหมครับ ตอบโทรศัพท์พังนั้นคือคุณทํากรรมในการพังโทรศัพท์ตัวเองสําเร็จเท่านั้นครับเหมือนคุณตบยุงยุงตายจริงคือผลสําเร็จของปาณาติบาตไม่ใช่ยุงตายเป็นวิบากเช่นเดียวกับที่โทรศัพท์พังไม่ใช่วิบากหลายคนยังเข้าใจผิดจุดนี้กันอยู่มากวิบากกรรมคือผลอันเกิดจากเจตนาอันเป็นกุศล หรือเจตนาอันเป็นอกุศลตัวอย่างเช่นกรณีที่คว้างโทรศัพทิ้งโดยกะให้มันแตกกระจายนั้นเป็นกรรมอันเจือด้วยโทรศัพหากทำจนติดเป็นนิสัยเกิดเรื่องทะเลาะ ก, กับแฟนแล้วทำลายข้าวของเป็นประจำผลใกล้คือจะเป็นคนเจ้าโทรศะโมโหร้ายผลปานกลางคือหน้าตาคล้าในตาขุนผิวหนังมอง ผลไกลคือเกิดใหม่จะอยู่ในตระกูลต่ำผิวหนังหยาบรูปโดยทั่วไปไม่งามจิตใจเป็นฟืนเป็นไฟง่ายตั้งแต่เด็กๆสรุปแล้วการไม่มีโทรศัพท์ใช้ระยะหนึ่งแถมต้องเสียเงินซื้อเครื่องใหม่นั้นยังไม่ใช่ที่สุดของผลที่คุณจะได้รับการระงับโทรศะไม่อยู่นั้นขาดทุนปลปี้หลายเด้งเลยครับ เด้งแรกเสียของทันทีเด้งที่สองอาจติดนิสัยโมโหร้ายทําลายของเด้งที่สามเกิดใหม่ไม่โสภาหน้าตาไม่รับแขกฉะนั้นคราวหน้าคราวหลังถ้าบรรดาลโทสะอยากเคลื่องสมบัติทิ้งก็หาอะไรที่สูญแล้วไม่เสียแพงหน่อยดีกว่าเป็นต้นว่าขัดใจแฟนปุ๊บควักซองบุหรี่ออกมาคว้างทิ้งขยะปับ๊บ จะได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มที่โกรธอย่างสร้างสรรค์ น, นายกให้เป็นแม่แบบคนรุ่นใหม่อีกต่างหากครับไปทำมันทำไมโทรศัพท์มือถือเสียดายของ